สิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยมันเป็นมันเป็นการสร้างเหตุทั้งหมดเลยสร้างเลยนคะสร้างเหตุเราจะสร้างเหตุแบบไหนไว้ก็ต้องยอมรับเมื่อผลนั้นก็จะต้องเกิดกับเราอย่างนั้นมันจะเป็นอย่างนี้ทั้งหมดเหล่านี้มันเป็นเรื่องการเรื่องเหตุและผลถ้าวันหนึ่งถ้าเราถ้ามีมีใครเขาปิดบังเราเหมือนกัน ถ้าเรื่องบางเรื่องเนี่ยที่ที่มันเป็นเรื่องพัดภาพถ้ามีใครมาบอกเราไม่บอกเราเราจะมีความารู้สึกยังไงเรลองลอ ง, ลองสมมุติ ด, ดูเนี่ยเราอยากรู้ไหมหรือไม่อยากรู้จะคิดยัง<ส>ไงนะครัอาจารย์เอาสมมุติเราตั้งใจจะบอกไม่ไม่สมมติเอางี้สมมุติว่า สมมติยอมบีนะเป็นเพื่อนไม่เรื่องจริงเงี้ยแต่วันหนึ่งยอมบีจากไปแล้วแต่ว่าไม่มีใครบอกยอมเหน่อยเลยอคิดว่าสักคิดว่าเชื่อในว่าเหตุผลที่เขาไม่บอกอ๋อแต่ยอมรับในสิ่งนี้ก็ไม่เป็นไรคือคนมางคนคนบางคลก็ไม่ได้ไปไม่ได้กังวลว่าใครจะบอกเรายังไงไม่เป็นไรแล้วก็กลัวความจริงไหม อย่าเป็นคนรู้ความจริงมั้บางอันไม่ต้องรู้ก็ได้บางเรื่องก็ไม่ต้องรู้เช่นยังไงเช่นยังไงิ บอกกับคุณตหากกกกกกกกว่าน้าป่ยเนี่ยใช่เป็นมะเะมร็งนีก็จะรักษาแล้วไม่ไอรักษาเพราะอะไรเพราะ ว, ว่าคิดว่าการยื้หายยังไงถ้าเกิไม่ร้องมนไม่หายอยู่แล้วรมากก็ถึงอาจจไข้ตัวไปตามตามยังนน <c oughs> คิดว่าจะสมปรารถนาไห เมากเนี่ยพอถึงเวลาจริงๆมนนษุ์ก็ไม่ค่อยสมปรานาก<ช>ที่บอกไว้เขาก็ไม่ทาอย่างที่เราบอกเพาอย่างอย่า ง, างตัวเองก็มีมีพ่อเป็นคนแรกใช่ไหมค้นพอ่อเราทำทุิทางยนะ่ อ, อ, อถอจุดจุดปัจจุบันี้รู้ว่าตอนนั้นรู้ว่าพ่อก็สูง้งขั้นแต่ว่ายังไงไงถามเขาเขา ใส่พวกนี้หนะัวใจก็บแบบกลังจะไม่ดีก็เปลี่ยนต้องผ่าตัดใสเครื่งเพื่อวหัวใจซึ่งพอก็ทพ่อไป้ไมหมดแล้วหมอก็แบบหใส่มาใชแล้วก็บอกเานาะาจเป็นลูก อ, <c oughs> อ่ะคิดว่าเราทำีวาภานแม่เนี่ยเรารู้เลยว่าปล่อยแม่ปล่อยปล่อยุก อ, อย่างปล่อยไปตามแม่เขา แม่เขาพอใจไหมดิดีแม่จีแรกก็แม่ก็เรนทว่าพอ่อจะพอใจต้องจะพอใจเพราะว่าเราแพ ได้คุยกับแม่ไหมตอนที่แม่จะไปเออคุยกับแม่ไหมเหรอค ะ, ะคือแม่เขาก็บอกไว้ค่ะว่าเขาไม่ อเท่าไหร่นะแม่ี่ <84. S 1> ตอนนี้พ่อเท่าไหร่พ่อ8ป okay. บ้าออได้นอนมา1ิกว่าปีแล้วสามเขาต้องดูแลกันอย่างแรงก็ดูแลแบบมงพยาบาลพยาบา ICU, ล ICU ียู24่งเหมือน<ๆ>เหมือนแม่ยมแหวนแม่ตองยมเลยใช่ใแค่แหวแต่ว่า ได้ดีดูแลดีหอที่มาที่บ้านก็ยังบอกเลยโอ้โอหคุณยายหมอเองจะมีเบสซอ้อมบางอย่างนี้อะไรบ้างของพี่ที่บ้านให้ดูแลได้โชคดีที่ได้พยาบาลดีๆมาต้องใช้เย็พยาบาลสองชุดแล้วมั้ยสชุดค่ะสองชุดจะมีคนหลักคนนะึง จะอยู่เฉพาะกลางวันก็คือเนียเขาก็จะมีฉีดมี่าอีคนเนี่ยเขาก็จะผัดกันเพราะมีบรรทุกคนที่อยู่ประจำโรงพยาบาลตุนหวดบ้างสิลาดบ้างอะไรบ้างเขาก็จะมีคนเนี่ยคอยบดสลับกงคืนสิบกว่าปีนี่ค่าใช้จ่ายหมดไปเยอะไหมก็เป็นสิบล้านอันนี้ไมช่ สร้างเจดีได้หลังนี้ก็เนี่ยถือว่าเราได้สร้างบุญกับพอ่บพอม็ดูดูแลพอ่อมกันก็ดูแลนั่นไหรนะครับถือว่าได้สร้างเจดีได้หลังนึ่้